ขอโนบโนมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรูุ้ชอบได้โดยพระองค์แอนขอกรบาบเคารพคลรวะโท ร, รมโพ่อคำเขียนและลุมโบกรมแล ะ, ะรครูบาอาารทุกท่านขอเฉลิมพระเมตชีและญาติโยมผู้ท่านใจปฏิวัติธรรมทุกๆุกท่กทานครับ ก็ทายสบายนะครับก็หลังจ้าทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมมาสอนธรรมบัญญายให้ชี้แนะทาน ไปสือมรัรคนิพัานก็สำหรับวันนี้ก็จางสงสิงก็ให้กิจนิ ม, มนต์อบธรมาเอาให้ฟันแต่ทำไมก็จากประเทศญี่ปุ่นก็ภาษาไทยยังไม่คล่องก็ขอไปเรื่องเนเรื่องหน้าว่าจะถูกปิด ออกเสียงไม่ชัดนะครับที่วัดปัสกาโตนี้ก็ธรรมาก็ได้มาเดินทางถึงที่นี่คันเลขก็ต้องพสสองปังห้าร้อยสามสิบเอ็ด ก็สมัยนั้นก็ตมาก็เป็นเป็นนักศึกษาปริญญาโทเรียนที่จุฬาด้วยแล้วก็ทำงานพัฒนาชนบทเป็นองค์กรเอก็สนใจการพัฒนาทางด้านวัตถุ เพื่อให้คนยากจนคนประสบความลำบากทางเศรษฐกิจให้สบายขึ้นสะดวกขึ้นแต่สมัยนั้นก็อรตมาก็ยังไม่ใกล้ยังไม่ก้อยได้สนใจพัฒนาทางด้านจิตใจแต่ว่าพอดี มาก็มาการเลขเลขที่มาเมืองไทยก็พศสองปันยแต่้อยเตอนเป็นนักนักศึกษาย8เป็นนักศึกษาตอนอู่ที่ญี่ปุ่นก็มาตัดสนินศึกษา โดยองคมพัฒนาที่เมืองไทยก็ให้โอกาสนักศึกษาญี่ปุ่นมาประสบความจริงที่เมืองไทยว่าเป็นยังไงเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องพัฒนาจนบทหาปัญหาจนบดเป็นยังไง ก็อรตมาก็สมัครใจมาแล้วก็ทางของเ g o จอมันไตให้เราไปแยกย้ายกันอยู่ที่บ้านแต่ละมือบ้านคนละหมู่บ้านต่อมาก็ได้อยู่ที่หออมู่บ้านเล็กๆอยากว่าหมูบ่บ้านบ้าปะ ที่หำเภชมทอนที่จังหวัดเชียงใหม่ใกล้ๆ ก, กับหมู่บ้านชาวเก๋าชาวคาเรียนที่นั่งก็ได้ประสบการณ์ได้อยู่สิบกว่าวันก็ต่อมาก็ได้พบปะ กับชาวบ้านที่นั่นแล้วก็ได้ประสบซาบเซื่งใจอย่างยินเพราะว่าสมัยนั้นก็หมู่บ้านที่นั่นก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำป่าไม่มีอะไรเคลื่นอนไฟฟ้าอะไรแต่ว่า อยู่ที่นั่นก็รู้สึกว่ า, าแปลกปรลาดใจว่าแม้ว่าไม่มีสิ่งของอะไรแต่ว่าจิตใจมันรู้สึกว่าสบายใจอบป่นใจหรือู้สึกลาลรื่งก็ ก็เพราะว่าชาวบ้านที่นั่งก็มีใจให้เป็นอาตมาอยู่เป็นเพื่อนเป็นปรบครัวแล้วก็พาไปที่ทำนาทำไร่ไปเก็บปาผืน ชีวิตก็อยู่กับธรรมชาติมีอากาศที่ดีมีเซนแบทรม้มธรรมชาติดีนอกจากนั้นก็ที่นั่งก็มีวัดวัดทาน พุทธศาสนาแล้วก็วัดของคริสต์ด้วยเพราะว่าที่เป็น NGO นจีอนไทยที่พาเราไปที่มืองบ้างก็เป็น NGO ของศาสนาคริสต์ก็จะนั้นนี่ก็ให้อยู่ ที่คนที่นับถือคริสต์ด้วยเป็นหมู่บ้านแต่ว่าก็ <c oughs> เป็นการแง่งกันศา ส, สนาพุทธศาสนาคริสต์ก็ชาวบ้านก็อยู่ด้วยกันได้เป็นการแง่ง ก็ะกัตมาก็ไปหาพระสนเจ้าประคุณเจ้าที่นั่นด้วยรม พ, พ่อรมพี่แล้วก็ไปหาวัดบอดกริกเป็นฟาเดอร์เป็นคุณพอ่อก็รู้สึกว่าสัมผัสกับ ศาสนาพุทธศาสนากริชของอเหมือนนอกกันแรกก็รู้สึกว่าเออมันก็มีชีวิตชีวาดีเพราะว่าสมัยนี้หรือว่าดีสิบกว่าปีที่แล้วก็เหมือนกันประเทญี่ปุ่นนี้ของเราก็พุทธศาสนา ก็กลายจะเป็นพิธีกรรมกรรมมาเป็นเป็นการาทำพิธีสวดมงแล้วก็รักษาสุสางของบรรพบุรุษก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ก็ได้มีโอกาสฟันทำกันหรือว่าปฏิบัติทางกัน อาตมาเองก็เป็นระบุชื่อว่าเป็นเป็นศาอ่าเป็นาศาสนาพุทธเป็นนับถือพุทธเป็นรลนทะเบยียนกันอยู่แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปวัดมีแต่โอกาสที่ว่าอ่าไปบูชาไหว้ บ, บ, บัาบําพระบุษที่สู่สารที่อยู่ใกล้ๆวัด ไม่ได้ฟังทมกันก็ไม่ได้โอกาสไปปฏิบัติธรรมก็สนใจก็ปฏิบัติเริ่มสนใจครึ่งก็ที่สอนทีอตตมาก็เป็นนักศึกษาที่ญี่ปุ่นมหาวิทยาไรที่นั่งก็เป็นแบบาศาสนาคริสต์แล้วก็ที่นั่งก็มีอาจารย์สอง เซ็นด้วยก็ทมสมาธิภาวนาให้เพ่งความว่างให้ตันตๆนก็ปฏิบัติตัวแต่ว่าเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นชีวิตความจริงความเป็นอยู่กับศาสนาเกีงง่ยวกอนยังไงจอมยอยังไง ก็สมัยนั้นก็ยังไม่รู้ตัวแต่ว่าอย่างไงก็ตามผมก็ก็ประทับใจยันยิ่งก็อยู่กับเออชาบ้านที่นั่นแม้ว่าเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรมากแต่ว่าอยู่เป็นญามีความสุขกันได้ ก็พึ่งเข้าใจว่าเป็นอ๋อนี่ก็มีความซึบที่แท้จริงก็มีอยู่แต่ว่านี้ไม่ใจอาศัยสิ่งของและสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานแตง ป, ปใจจสีนี้ก็เป็นก็มีจําเป็นด้วยแต่ว่าแม้ว่าไม่มันมีมันไม่มาก อยู่เป็นปอดีปอดีก็อยู่ได้แล้วก็มีความสุขได้ก็เข้าใจชัดแจนเพราะว่าตัวเองก็ประสบการณ์ได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตรนนั้นแหละก็ตามาก็ถือว่าเออเออชื่อเออ หรือว่าตัวเองเป็นที่อาศัยตัวอาศัยประสบการณ์ของตัวเองเป็นสำคัญมีแค่มี้อมึงเข้าสาัว่าอย่างนี้อย่างนั้นต้องมี อ, อยู่ตองมีรถยนต์ดีๆหรือว่ามีบ้านใหญ่ๆมีเงินมีตองหลายปันหลายแสนล้านนี่ก็มีความสุขเขาเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าก็ามไม่ใช่เป็น อ, อย่างนั้น เรากย็ยังมีความสุขได้แม้ว่าไม่มีอะไรมากมาย่ก็เลยอตัตมาก็เริ่มที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงว่าอย่างไงอย่างไงก็มีจำเป็นอ่าปัจจัยสีถ้าขาดแกรมมากก็ ก็ทุกลมบากก็จริงเลยตมาก็ลอนดูจะทำการช่วยการพัฒนาแล้วก็อยากรู้อยากเห็นพัฒนาที่แท้จริงก็ตมาก็ศึกษาแล้วก็ทำการทางด้านนี้งานพัฒนา แล้วก็โอกาสที่ดีตรรมาก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็เรียนรู้อะไรต่างๆที่มหาวิทยาลัยที่นั่นแล้วก็อโชคดีว่าอาจารย์ ที่จุลานี้ก็แนะนำให้พ่านตะนนักปัตนาตานด้านภริยติแล้วก็การปฏิบัติไปด้วยตานด้านภริยัติก็อาจารย์ที่นั่นเป็นชื่ออาจารย์สุริจัยวังแก้วตังก็แนะนำ ให้อ่านหนังสือของเจ้ากลุ่มประยุตประยุติโตก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ในออหอนเรียนแล้วก็แนะนำให้ไปพระนักปัฒนาเอ็แนแจ้งอาจารย์อาจารย์หลวงพ่อนาน การสอนทนารายการตาจำบัญญัติซึ่งเป็นอที่แนะนําในห น, นังสือที่เป็นภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงอาจารย์แปดท่านที่เป็นพระนักปฐนาธิมเนินไทย ก็ได้พบปะอาจารย์ต่างๆแล้วก็สนใจาถามเก็บข้อมูลว่าการพัฒนาช่วยการพัฒนายัางไงก็ซึ่งเป็นสนใจมากที่สุดก็คือว่าทุกท่านนี่ก็เอา ธรรมะเอาหลักธรรมคำสองของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการพัฒนาของหมู่บ้านด้วยซึ่งอาตมาเคยทำงานอยู่ก็เป็นองค์กรมพัฒนาเอกจัจจณก็ที่นั่นก็สนใจ แล้วก็ปฏิบัติการพัฒนาโดย อ, อมันเด็กๆน้อยๆเป็น grassroots ไม่จะเป็นพัฒนาสร้างวัตถุใหญ่ๆเป็นเป็นฐานเป็น วแล้วแต่ว่าช่วยการขวัญเล็กๆน้อยๆหรือว่าทำโปรเจกต์อะไรต่างๆให้เจ้าบ้านมีมีมทอนแต่ว่าประทับใจพระนักปัฒนาที่มือนไทก็คือว่า อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์นี่เพื่อให้มีเงินมีทองก็มีแต่ว่านี่ก็เป็นแค่อุปายไม่ใช่เป็นชุดมุม่งหมายอุบายให้ชาวบ้านสัมปัสกับธรรมะเจงว่าสอง สอง <c oughs> ทำได้ทำนาก็เพื่อให้เป็นกลมเกลื่กับธรรมชาติเป็นกระแรธรรมชาติก็ <c oughs> <c oughs> ท่านก็แนะนำให้ว่าอ่านี่กเกษตรธรรมชาติเป็งคลมเกรืองกันพวกเราก็อยู่เป็นกลมเครืองกันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แม่บ้านพ่อบ้างพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด็กน้อยก็อยู่ด้วยกันอยู่นำกันนี่ก็เป็นมีความสุขมีเป็น สอสมบูรณ์แต่ว่าถ้าเป็นของที่เป็นเูื่อยชนมนมยันเดียวนี่ก็มันเป็นไม่มีกลมเกลนเหมือนกับว่าันธรรมชาติก็เหมือนกัรมมีปลาก็มี ต้นไม้เล็กๆต้นไม้ใหญ่ๆหรือว่ามีสมุมภยัยมีหลายๆอยามาร่วมกันนันก็เป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติถ้าว่าเป็นพายุกาเม่นยูกายันเดียวเป็น p า a n ทเทชั่นว่าไม่ใช่เป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นนี่ก็ปลูกกันเป็นผสมประสานกันมันก็เป็นทำให้อสมเบองได้ดีแล้วก็มีมันรลงที่เป็นอ่ามากันก็น้อยก็เป็นกองเกลืนหรือว่าตอนที่เป็น แมาลงก็มากาดผักผลไม้อาจจะเป็นมีรูในใบไม้อาจจะไม่สวยแต่ว่าอันนี้ก็ดีเพราะว่าเราก็ให้ทานต่อสัตว์แมลงให้กินอยู่ด้วยกัน เป็นการทำบุญทำทานด้วยก็จาง ก, ก็แนะนำสอนก็เลยไม่ได้ใช้ยาฆาา่าแมรงเฮ้ยจะมีอะไรมากพยายอมอยู่อย่างเป็นธรรมชาตินอกจากว่าทำอ่สัตว์อมซั์ด้วยกัน เป็นทำการเป็นเอกเป็นธนาคารเก้าอะไรต่างๆนี่ก็นี่ก็เป็นทางยันหนึง่งมันไม่ใช่เพื่อให้เรามีรวยยันเดียวให้เพื่อนอยู่ด้วยกันอยู่จาวบ้านด้วยกันเป็นอยู่กันเป็นช่วยกัน สนับสนุนกัน ด, ด้วยกันก็ดีรู้สึกว่าดีมากก็เพื่อให้พัฒนาแล้ว ก, ก็จะพัฒนาธรรมะให้อยู่ที่ใจด้วย ก็เลยประตับใจ ย, ยันยิ้นออกจากนั่งก็ตามาประตับใจยิ่งมากที่สุดก็คือว่าตอนนั่งกตมาก็เป็นเป็นเจ้าหน้าที่เป็งองกรพัฒนาแต่ว่าเราก็ทำการยิ่งทำกงานก็ยิ่งหน่วยมันคิดมากเป็นเครียด ก็แต่ว่ามาอยู่กับป้าคุณเจ้านักพัฒนาทั้งก็รู้สึกมันล่าเดินจิตจีน่าโบทบานอยู่ก็เลยประทับใจทำยังไงดีจะทำการก็คิดว่าดีช่วยเหลือผู้อื่น แต่ว่าตัวแอนยิ่นหน่วยยิ่นหนักใจทำไมจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็ให้ตัวเองมีความสุขอยู่ด้ว ย, ยก็เลยอรตมาก็หลังจากนั่งก็ถามอาจารย์ว่าขอ อยาศึกษาไปาความจริงของอทฤษฎีก็ดีหรือว่าเป็น ด, ดูความจริงประสบการณ์อยากเรียนรู้จริงๆนอกจากนั้นกอดตมากอ้อนวยอยู่ ใจมันก็มีปังหาชีวิตยอยู่กุงเทพมันก็ก็มีอา่อาอ่ากระตบกระเทือนอะไรมันอะไรมากมายแล้วตัวเราเองก็มันเป็นธาตุขมมันก็เลยมันทุกข์ใจบ้านก็เลยอยากจะอา่า หาออกจากาก็พอดีอาจารย์ก็แนะนำให้ไปวัดป่าสุกโตก็มาที่นี่ตัดตับใจนิ่งขึ้นไปก็พบกับอาจารย์ไผยาสงลุมพ่อก็มี ก็รู้สึกมันเมตตากรุ่นนามันยันยิ้นก็รู้สึกอบเพลินใจแล้วก็ศรัทธาความร่วมสเกิดขึ้นยันยิ้นตอนแรกแรกก็ต่อมาก็รู้ว่าอาจารย์วิสาหลวงพ่อคำเขียงเป็นพัฒนักพัฒนาแต่ว่า ก็โอกาสที่ดีมาศึกษอลาบวชอยูอ่กับรลวมพ่อจากอังเกต3มเดือนเป็นหนึ่งพันษาตอนแรกๆก็ลาออกอเข้าสู่สนามแกโกม้มมือเพื่อเข้าสู่สนามแกะกม้มมือ แต่พอดีมาปฏิบัติธรรมที่วัดปาสก์โตที่นี่เจริญสติยกมือสร้างจังหวะโดนจองกรมก็ประสบการณ์ที่ใหม่ๆได้รู้ เข้าใจว่าตัวเองเคยทุกเพราะยังไงมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าอ้าวอาจารย์ได้สา่งหําพ่อคำเขียนไม่ใช่เป็นปะนักปฒนาจนาบทเป็นพระสอปภาวนาพระครมฐานจริงๆแล้วก็ออ่ ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลก็จริงๆความรู้สึกตัวมีสติก็เป็นวิธีกา ร, รที่อรตมาเคยทำม า, มาหลายอย่างว่าเพื่อให ลดความทุกข์บางเท่าความทุกข์แต่ว่ า, าที่จันทรสตินี้มันใช้ได้เป็นมีผมผมามากทีเดียวความทุกข์ที่เป็น ทุกสิ่งทุกอย่างก็รถบานต่อไปก็เพื่อเริ่มที่จะเข้าใจพัฒนาจิตใจมันสำคัญมากมากกว่าพัฒนาตามด้านวัตถุก็มีปัจจัยสี นี่พอดีพอดีแล้วก็เรา ก, ราก็รักษาจิตใจด้วยสิ่งสมาธิภาวนานี่ก็เป็นงานสำคัญที่สุดหลังจากต่อมาก็ตอนที่ว่าจะวอด แค่สามเดือนแต่ตมาไม่ได้กลับไปเรียนทำการต่อแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงปัจจุบันนี้ที่ปามานี้ก็มีเปลี่ยนแปลงหลายอย่างาที่วัปัสกาโตนี้ก็ก็เจริญเพื่ อ, อมี พวกญาติโยมหลายคมมาอยู่ได้เป็นสถานที่ก็มีไว้เพื่อให้ของในเมืองกองกุณเต้ท่านมาได้อยู่ได้โดยสะดวกสบายได้อาหารงานคิงก็ก็สมบูรณ์ขึ้น นี่ก็มันเป็นเรียมเป็นต่นางวัตุเอ่ว่านอกจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ก็มีสอนดีก็มีเผยแพร่ทำกันได้ดีที่คนญี่ปุ่นก็มีโอกาสได้เที่ยวมาอยู่ที่นี่มันหลายกลนทุกปีทุกเดือน ก็คนที่เคยเป็นทุกข์เป็นกาตัวตายกันได้ยันอยู่รอดหรือ่าเป็นมีปัญหาจิตใจเป็นโรคจิตทั้งก็อยู่ที่ญี่ปุ่นยืมไปหาหมอกินยาแก้ไขไม่ได้ก็มาอยู่ที่นี่ก็แก้ไขได้จริงๆโดยไม่ได้กินยาไม่ได้ ไปหาหมอหมอจิตเพราะว่ามันก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติให้ถูกต้นจะได้แก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจช่วยได้มากนอกจากนั้นก็แม้ว่าเป็นไม่ถึงเป็นคนโรคจิตแต่ว่า อยากอยู่ชีวิตมันจะเริจ่จริงๆคุ้นไปก็มีโอกาสจริ่มากขึ้นด้วยสติปัญญาก็วิธีการเริญสติยกนม่สร้างจังหวะเดินจองกรมตา่อมาก็ตอนนี้ก็ไปพื้ยแปดริปุ่นไปไปมามาไปแล้วก็ศึกษาวิตย์ก็ไปสอน ให้คนญี่ปุ่น ก, ก็ศึกษามากขึ้นในนั่งซื้อรอนในวารสารก็ก็แนะนําไปให้อ่านก็เข้าใจหลายกองก็ประทับใจ ย, ยันยิ่งก็เป็นการอ่าเป็นเจารุสติที่ยกมือสร้างจังวานี้ ว่าเป็นใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้แท้จริงอยู่กับเพื่อนบ้านอยู่กับอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่ทำงานก็มีกันในกอนแต่ของก็ทะเลาะกันอยู่เป็นกลัวแต่งครวร ก็หายไปยังอยู่ได้เป็นความสุขกับครอบครัวแล้วก็ทําการกล่องแก้วได้ดีด้วยมีความมีกับเพื่อนคนที่อยู่ทำกานด้วยกันได้ก็แก้ไขได้ก็เพราะว่ามันจิตใจนั่งแองเป็นเพิ่ง ทำให้เป็นคร อ, อบครัวก็ดีหรือว่าที่ทำงานก็ดีย่นยังเป็นปกติเป็นสุขได้ก็ช่วยเหลือตัวเองโดยเฉพาะช่วยจิตใจรักษาใจนี้ก็ ว่ า, ามันมีค่ามากที่สุดแต่ก่อนต่อมา ก, ก็อยู่เป็นธาตุของสิ่งของหรือว่าเป็นอารมณ์ตันๆแล้วก็ก็ทุกข์แต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้น ไปที่ไหนอยู่ที่ในเมืองก็ดีอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นปกติสึกอยู่ได้อยู่กับใครแต่ก่อนครัวคนนี้เป็นหรือว่ า, าไม่ชอบใจคนนั่นไม่มากมายก็ลดลมไป อย่ยามเป็นสึกกับได้สึกกันได้ก็เพราะว่าเป็นผมของการปฏิบัติธรรมเป็นจันสตินี้แล้วก็ครูบาจารย์สอนสาหะสองให้ว่าทำอย่างนี้อย่างนั้นให้ถูกต้น แล้วก็ธารมะก็รู้สึกว่าเป็นโชคดีมาอยู่เมืองไทยซึ่งเป็นยังมีพุทธศาสนาเป็นเออเป็นค่ามากยังมีชีวิตชีวาอยู่ไม่ตายไม่ได้เป็นวิธีการรีทองอะไรยันเดียวยังมีความจริง รรมก็อยู่ที่นี่แล้วก็เราก็สร้างาบรรยากาศให้มีเป็นอบเป่นใจแล้วก็ใครมาก็ต้อนรับสอนเ่อเพื่ อ, อมนวยซึ่งกันและกันก็ธรรมะก็ รู้สึกว่าจิตปิตก็ก็เ ป, เปลี่ยนแปลน่าเรื่องก็พยายามที่จะปฏิบัติช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เป็นทุกข์ลำบากไปเรื่อยๆก็เพผยแพ่ธรรมะ อ่นนี่ก็เป็นคิดว่าเป็นตบแทนบุญคุณที่เป็นครูบาจาร์แล้วก็เพื่อที่เป็นศรัทธาร่วมสเจ้าวบ้านบัามไม้ตะเริงก็ดีว่างแค่ก็ดีก็ให้ความอบผนใจแล้วก็ใจร้า ย, ยนุนึนึ่งสอนอ่า ให้แก่เรานะครับก็คิดว่ า, อาพอสมควรแกเวลาก็วันนี้ก็อรรมาก็เพือให้แนะนำชีวิต ท, ที่ผามาแล้วก็เพื่อรมาไปนิ ด, นดหน่อยหน่อยก็ให้อาทุกต่้มเอามาใช้ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อการปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีความสุขเจริญอายุวันณะสุขภาระสร้าสงสติปัญญาให้ลดปันเทาความทุกข์ให้เจริญยิ่งความสุขที่ได้จริงยิ่ยิ่งขึ้นไปทุกคนตืกเถอานั้นเถอ